มหมอเคยวินิจฉัยดิฉันว่าเป็นโรคจิตเภทหลงผิดหวาดกลัวอย่างไม่สมเหตุสมผลขั้นดุนแรงไม่สามารถตัดความคิดหรือควบคุมจิตใจตนเองได้แต่ยังไม่ถึงกับอลวาดยังไปทํางานได้ตามปกติแต่ทรมานใจมากรู้อยู่กับตนเองว่านี่แหละนรกทางใจความนึกคิดก็พิลึกพิลั่นต่อยอดไปได้เรื่อย จนถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดทานยาพักหนึ่งพอดีขึ้นก็หยุดเสร็จแล้วกลับมาเป็นอีกกลัวมากกับการมีจิตเศร้าหมองขณะตายทุกวันนี้พยายามถือศีลห้าและเจริญสติภาวนาระลึกถึงคุณพระอยู่เสมอแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยอยากทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นผลจากกรรมใดและจะมีวิธีไหนช่วยให้ดีขึ้นได้บ้างคะตอบ มารวบรัดกันโดยเล็งจุดสำคัญที่สุดคุณบอกว่ากลัวมากกับการมีจิตเศร้าหมองขณะตายซึ่งนับเป็นความกลัวที่ดีที่จะยับยั้งไม่ให้ปล่อยใจเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงแบบกูไม่กลับแล้วก็เป็นความกลัวที่ยืนพื้นอยู่บนความจริงทางธรรมชาติเสียด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆครับว่าเมื่อจิตเศร้าหมองก่อนตายทุกขติย่อมเป็นที่หวังได้ และแม้พระพุทธเจ้ามิได้ทรงตรัสไว้ผู้ที่มีความเศร้าหมองอย่างหนักทุกคนก็ย่อมสังหรณ์ได้ด้วยตนเองอยู่แล้วดุดเดียวกับคนใกล้หลับอย่างทรมานย่อมเดาถูกว่าอีกเดี๋ยวคงไม่แคล้วต้องฝันร้ายยืดเยื้อความกลัวการเศร้าหมองก่อนตายจะทําให้คุณมีสติยับยั้งชั่งใจขึ้นมาระดับหนึ่งซึ่งก็ควรต่อยอดด้วยการบอกตัวเองว่าฉันกําลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัว และติดตามราวีฉันอยู่ข้างในตลอดเวลานะศัตรูของคุณมาในรูปของความคิดดังนั้นคุณก็ต้องต่อสู้หรือตอบโต้มันด้วยความคิดเช่นเดียวกันกำหนดใจไว้เลยว่าเมื่อใดเกิดความคิดหรือจินตนาการที่เป็นลบคุณจะต่อกรอกับมันทันทีด้วยความคิดและจินตนาการที่เป็นบวกเอาแบบเป็นตรงข้ามเห็นเห็นเลยนะครับเช่น ถ้าเกิดแรงบีบคั้นในหัวให้ด่าคนหรือหาเรื่องอารวาสคุณต้องให้สติทำหน้าที่ยับยั้งความตั้งใจที่เป็นลบนั้นแต่ไม่ใช่เก็บกดเฉยๆคุณต้องพูดจาดีมีความสุภาพอ่อนโยนเลือกคำที่ประนีประนอมหรือกุลีกุจอหาทางช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งทันทีถ้าทำได้อย่างนี้เรื่อยๆก็เชื่อเถิดว่าความดีจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือแม้ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้น อย่างน้อยคุณก็มั่นใจได้ว่าตัวเองพยายามดีที่สุดแล้วเป็นกรรมขาวเท่าที่จะขาวได้แล้วความขาวของกรรมย่อมตกแต่งจิตให้เบิกบานยามตายกรรมขาวย่อมไม่ปล่อยให้คุณตกต่ำลงไปสู่ความดำมืดอย่างแน่นอนเมื่อหายกลัวและแน่ใจว่าทําดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พรุ่งนี้โลกสว่างอยู่แล้วครับอย่าห่วง